ع و ذ ب ا ل ل ه من الشيطان ا ل ر ج ي م فمن س ل ت م و ا ز ي ن َ ف َ م َ ن س ك ل م و ه ُ م ا ل م ف ل ح و ن ว m ن n خَفَتْ مَوَازِينُ ال فَأُولَئِكَ الَّذِينَ ق َ ص ِ ر ُ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خ َ س ِ ر ُ و ا أ َ ن ف ُ س ه ُ م ْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تلفحوجهم و النار، وهم فيها كالحون، وهم فيها كالحون. ألم تكن آ ي ا ت عليكم؟ ألم تكن آياتي تثلى عليكم؟ ว่าคุณตุมบีฮาตَุะลิบุนَลَาวَ่าข้าพเจ้าได้รับَวามช่วยเหลือจากวามช วะกุนอาควุมัَ่ดัลลิ ه รับบนาอักรจลาอ อัลลอฮ์ุุุุุุ ا ุุุุ ن ุุุุ ا ุุุ ا ا ุุุุุุุุุุุุุุุุุ ي ه ุุ د ุุุุุ ل ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ ل ุุุุุุุุุุุุ ل ุุุุุุุุุุุ د ุุุุุุุุุุุุุุุุุ Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namuto wa ilaikan nushur أعوذ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ ت َ م َ ا ِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَدُرُّ م َ عَسْمِهِ شَيْئٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ا ل س َّ م َ ا ء ا ِ وَوَسَمِيعُ الْعَلِيمُ رَضِيتُ ب ِ ا ل ل ه و إ س ل ا م د ا ل ر س ا ل l a h al u m m a inni a'udhu bika min um ani, i, a l k a s a ر ับ أعوذ بك من عذاب في النار و ع ذ ا ب في القبر ا ل ل ه h u m m a في بداني و ع ف ن ي في سمي وعافني في بصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมงานมาค่ะที่รักทั้งหลายกบฮุิลลา เราต้องชุกรขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตาลานะครับไม่มีคำใดที่จะกล่าวดีกว่านี้ก็คืออัลฮัมดุลิลลาบดาการสร้างเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮฺและการฮัมดุวัละการชุกรูการสร้างเสริญเป็นของอัลลอและการขอบคุณทุกรายการเป็นของอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตาลาเราขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตาลานะครับที่อัลลให้เรา ได้มีโอกาสมานมาที่มัสยิดได้มีโอกาสมานั่งทบทวนอัลกุรอานที่บ้านของอัลลอ์แล้วก็มาหาความรู้ความเข้าใจจากอัลกุรอานนะครับเท่าที่ตัวเองมีความสามารถเล็กๆน้อยๆนะครับพี่นะ้องเราทำงานเพื่อที่จะให้หัวใจของเรานั้นผูกพันกับอัลลอฮ์ให้หัวใจของเรานั้นมีอิมานพี่นะ้องต้องลงทุนตลอดชีวิตแล้วนะครับพี่นะ้อง วันนี้เรามาทบทวนมาถึงกุรานสุร่าอัลมุมินน์สุราที่ยี่สิบสามวันนี้มาถึงอายาที่หนึ่งร้อยสองกับสุร่าหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับหกอายาด้วยกันพี่น้องเรากําลังอยู่ในช่วงของการอธิบายกุรอานนะครับสุร่าอัลมุมินอายาที่หนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอ่านทวนนิดนึง فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون ไปด้องครับความรู้ที่อยู่ในะคุนอา จ, จเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเอาล้อเล่าถึงชีวิตของเรานะครับหลังจากตายไปแล้วต้องฟื้นฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องไปอยู่ที่ทุ่งมชัชช ชีวิตหลังจากฟื้นขึ้นมาแล้วอยู่ในทุ่งมัชัดนะครับนี่มันภาพหนึ่งอายาที่หนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยเป็นภาพหนึ่งของคนในทุ่งมัชัดเท่านั้นเองภาพหนึ่งก็คือฟาอิซานูฟิคอฟิซูรดังนั้นเมื่อที่เป่าได้ถูกเป่านะครับเมื่อเป่าแล้วเนี่ยไม่ใครเป่าม่ละอีกาเป่านะครับตอนนี้ ที่เป่าน่อยู่ในอยู่ที่ปากมล า, ายกาเนี่ยแล้วก็รอว่าเมื่อไรอัลลอจะสั่งให้เป่าพร้อมแล้วพร้อมฟาลาอันซาบเวลาเป่าแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วีปนองครับวันนั้นเนี่ยนะลาอันซาปแปล ว, ว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติตับซิดอธิบายคุณอ่านอธิบายอีกพ่อกับลูกจะไม่คุยกัน จะวิ่งหนีกันสามีภรรยาก็จะไม่อยู่ด้วยกันพี่ชายกับน้องชายพี่สาวน้องสาวพ่อกับแม่แม่กับลูกไม่มีการติดต่อกันไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติในวันนั้นเวลายาติซาอาลูนทงทั้งที่รู้จักกันก็ไม่คุยกันไม่ทักกันยาติซาอะไรแปไว้นะไม่ถามกัน เพราะว่าทุกคนลืมหมดนะเพราะว่าต่างคนต่างคิดเรื่องของตัวเองว่าตัวเองนี่จะไปรอดหรือไม่รอดนี่เป็นภาพหนึ่งของภาพในทุ่งมหัชช์นะครับพี่น้องทั้งหลายทีนี้ที่ทุ่งมหัชช์นี่ภาพภาพที่สองนะครับพี่น้องภาพที่สองของทุ่งมหัชช์ก็คืออายาที่หนึ่งสองฟามันสังคุลัมดมาวะจีน فأولئكهم المفلحون فمن سقّلت موازينه فأولئكهم المفلحون อัลล๋อพี่น้องนี่เป็นความรู้แต่บางเรื่องจริงภาพที่สองที่ทุ่งมาชัดนั้นมีตาช่ง มีตาช่างเป็นน้องมีตาชูมีตาช่างสําหรับเอาไวช้ช่างช่างใครลนะครับนี่างาช่างพวกเราเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนช่างเพื่อจะวัดดูว่าความดีกับความชั่วนะมีหรือไม่มีถ้ามีความดีมากๆเป็น้องตาช่างมันจะหนักไอ้ลูกตุ้มเนี่ยมันจะหนักถ้าหากว่าความชั่วมันมากจะจะจะไม่มีจะไม่มีน้ําหนักเลยจะเบา โอเห็นอย่างกับเี่ยลองเล่าไว้ฟังนะเอามาดูคําแปลกับฟาแันสักูลัดเพราะฉะนั้นฟาแปลเพราะฉะนั้นมันแปลว่าผู้ใดสากูลัดแปลว่าหนักมาวาซีนูหูนี่เป็นพระพจน์ของเขาว่ามีจานแปลว่าตาชูหรือตาช่างหูแปลว่าของเขาดังนั้นผู้ใดที่ตาชูของเขาหนัก เวลาช่างแล้วมีน้ำหนักไอ้น้ำหนักนี่ยเอามาจากไหนไปน้องเพราะอิมานอิมานนี่ยไปน้องวันนี้สัมผัสไม่ได้เลยไปน้องแต่อยู่ในใจอิมานมาเรื่องในใจทั้งหมดไปน้องแต่วันนั้นเนี่ยอิมานนี่มีน้ำหนักเยอะอามั่นที่ซอลแล้วมีน้ำหนักเยอะนะครับฟมซファマมクวツマワนุ เพราะฉะนั้นผูใ้ใดที่มีตาชูของเขานักฟฝ้าละอีกาหูมุลมุฟลิฮูนอูลาอีกะเหล่านี้แหละหุ้มพวกเขาเป็นอัลมุฟลลฮูนผู้ได้รับความสำเร็จแล้วพี่น้องในตำสิทธิ์อธิบายอย่างนี้มมลอยกาเนี่ยจะยืนเฝ้าตาช่างเฝ้าเฝ้าต า, า, า, าช่าง แล้วก็ก็จะจับคนมานะเนี่ยแะเพราะว่าเชิญก็ได้เอ้าเชิญคนมามายืนที่ตาช่างพอมาช่างปั๊บเนี่ยน้ำหนักไม่มีเลยเสร็จแล้วก็เอาความดีของเขาที่ทาไว้อะเอามาใส่น้ำหนักมันก็จะมามาเลย์าจะประกาศนะคนนี้ผ่านแล้วตอนหน้าคนไม่รู้ว่ากี่แสนล้าน ถ้าหากว่านพอช่างปั๊บเอาความดีใส่มอเลยก็มีคนถามมารู้เป่าความดีที่ใส่ไปในอะไรมีอยู่ะดีสหนึ่งอธิบายบอาว่าเอานำมึกของอุลลามะที่เขาเขียนตำรับตำราเอาไว้ให้คนอ่านไอพี่น้องคนก็เปลี่ยนแปลงเพราะอ่านหนังสือของเขา อรมาสในโลกที่เป็นน้องครับเดี๋ยวก็ทํางานาศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้นอนในกลางคืนทนั้งค่ำอ่ะยิงอิบามชาร์ฟีเนี่ยกลางคืนแบ่งออกเป็นสามช่วงเป็น้องช่วงแรกเนี่เขียนยักตุบเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนสามสี่ชั่วโมงเลยเป็น้องอีกช่วงที่สองเนี่ยนมาดนมาดนมาดนามาดนามาดเท่ากับเขียนหนังสือนั่นแหละแล้วก็ช่วงที่สามก็นอนแล้วก็ตื่นนามาสุโบ นี่ชีวิตของอัลมะฮฺพี่น้องฉะนั้นอัลมะฮฺที่เขียนตำรับตำราให้คนได้อ่านต้องตัดตำราในทางที่ดีนะมันด้เขียนเรื่องโป้เรื่องเซ็กให้ชาว บ, บ้านเขาปวดหัวเนี่ยพี่น้องฉะนั้นอัลมะฮฺนี่พี่น้องครับพอจับคนนี้ขึ้นมาพอเอาความดีเขาถามว่ารู้ความดีของคุณอะไรที่ทําให้ตาช่างในมหนักก็บอกความรู้ที่ท่านเขียนในตำรับตำราเอาไว้ให้คนอ่านและอีกคนหนึ่งพี่น้อง เอาขึ้นมาน้ำหนักไม่มีแล้วก็เอาความดีใส่ไปคำถามว่ารู้ความดีเนี่ยอะไรรู้ไหมเลือดที่เขาเสียสละอวยาคนทางของอัลลอฮฺเป็นรองน้หมึกกับเลือดน้ำมึกของอลุลามะเลือดของคนที่ชานตายตายเฉียดในทุ่งในทุ่งไรนะในใตสนามรบสองอย่างนี้น้หมึกกับไรนะน้หมึกกับเลือดนั้นทําให้น้าหนักบนตาช่างนหนักมากเลย มีคำอธิบายตัดตส้สินนะครับพี่น้องเอาวันนี้มาดูภาพภาพในทุ่งมาชัิพี่น้องมีทั้งหมดหกภาพด้วยกันนะครับมีอยู่หกภาพภาพที่หนึ่งทันอิบนองอับบาสได้อธิบายอย่างนี้สภาพของคนในทุ่งมาชัิในวันนั้นแตกต่างกันบางกลุ่มพี่น้องบางกลุ่มนะ คุยกันอ่ามีภาพภาพที่หนึ่งนะนั่งคุยกันกุราอ่านอธิบายอย่างนี้ครับวาอักรละวาอักบาละบางดุฮุมละบางดียะตะซาลูนภาพหนึ่งของทุกมัชัดก็คือเขานั่งคุยกันหันหันหน้าเข้าหากันแล้วก็คุยกันพอจะนึกภาพออกไหมภาพข อ, ของประเภทประเภทไหนภาพของคนดีไงพี่น้องคนซนแหละ เพราะในโลกนี้มีแค่สี่กลุ่มที่อลัลลอฮ์พอใจหนึ่งกลุ่มอัมบิยะสองกลุ่มซินดีตีนสกลุ่มชูฮาดาคนที่ตาย شهيد ด, ดูแล ง, งานศาสนาว่ากลุ่มซอลีฮินสี่กลุ่มนี้ทํางานศาสนาของอลัลลอฮ์หมดเลยอาชีพก็ว่าอีเรื่องหนึ่งแต่ว่าหัวใจของเขานั่นสี่กลุ่มนี้พี่น้องหนึ่งบรรดานาบับีสองบรรดาซินดีตีน สมชูฮาดาคนที่ตายเฉยๆและคนโซเลห์ไปน้องนี่กลุ่มที่หนึ่งนะท่านอิบนะอับบาสเนีอธิบายบอกว่ากลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเขาปลอดภยัยเพราะเขานั่งคุยกันในทุ่ง ม, มาชัดกลุ่มที่สองเห็นกันจำกันได้รู้จักกันได้แต่ไม่คุยกันวาลายะตาซอาลูนแต่พวกเขาไม่คุยกันไม่ยิ้มกันไม่ทักกัน ทั้งๆที่คนรู้จักกันอาจจะเป็นพ่อเป็นลูกกันก็ได้สามีภรรยากันก็ได้เป็นน้องพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายไม่คุยกันเลยไปน้องครับนี่กลุ่มที่สองนึกเองคนประเภทไหนคนฝังขนู้นเยอะฝังข้านี่ก็มนี้ด้วยถ้าไม่เอาศาสนาเนี่ยนะกลุ่มที่สามก็เป็นน้องกลุ่มที่สามนี่ก็คือหิวน้า กระหายอยากจะกินน้ำบอระอาคบัตจะมีเด็กเด็กของลูกของพวกเราที่เสียชีวิตก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะเด็กเหล่านี้พี่น้องครับจะเอาน้ํามาจากสวนสวรรค์นะครับเอามาแล้วก็เดินหาพ่อไอพวกเราก็นั่งอยู่ขอน้ำหน่อยขอน้าหน่อยเด็กตอบว่าไม่ให้อ่ะฉันจะเดินหาพ่อของฉันและแม่ของฉันนี่กลุ่มที่สาม มากลุ่มที่สี่ครับพี่น้องกลุ่มที่สี่เนี่ยในทุ่ง ม, มาชัดจะเป็นอะไรเป็นกลุ่มของคนกาเฟตอโลพี่น้องกลุ่มคนกาเฟตเนี่ยอันตรายที่สุดพี่น้องครับไม่คุยกับใครเลยพี่น้องแล้วก็หัวนะหัวขมมหมายถึงว่ามันมีท่าเดินอยู่สามสามสามสามท่าหนึ่งขี่ยานพทหานระสอง เดินด้วยเท้าสี่ใช้หัวเดินแทนเดี๋ยวชายเท้าเดินมาชายชาใช้หัวเดินคนกาเฟรตทั้งหมดเป็น้องคนมุชลิกีนกาเฟรินยะฮูดีนอสโลณีทั้งหมดเปนน็น้น อ, นงนองจะใช้ศรีรษะเดินนี่กลุ่มที่สานะกลุ่มที่สี่มากลุ่มมากลุ่มที่ห้าก็เปนอ้องเครือญาติของท่านนาบีมุฮัมมัดสลสลัลเขาเรียกว่าท่านนาบีมุฮัมมัดครอบครัวท่านนาบีมุฮัมมัด ล้วก็คือญาติท่านนาบีมุฮัมมัดพี่น้องเป็นกลุ่มชนที่สบายที่สุดในทุก ม, มาชัดนบีพูดอย่างนี้นะครับกุลนัสบินวะซฮรฮินยังกัตย์ยะมันกิยามะอิลลานัสบีวะซฮฮินนบีพูดเองนะพูดอธิบายอย่างนี้ทุกคนในวันนั้นนะครับจะมีพวกมีลูกมีพ่อมีแม่นะครับตัดขาดกันหมดยกเว้นครอบครัวของฉัน เคลือญาติของฉันเขยของฉันลูกสะพ้ายของฉันจะมีความสุขที่ทุ่มมาฉันพอไซนาอัลีไซนาอัลีก็เป็นลูกเขยนบีใช่ไหมนะไซนาอบูบากัดและไซนาท่านอุมัตอัลเดลอของอันดูพอเจอหะดีษนี้ปั๊บเนี่ยไปขอลูกสาวไซนาอัลีคนและแม่กับยูฟาติมาณ์นะแม่ที่สองที่สามที่ ส, สี่ไม่ทราบแม่เท่าไหร่ไม่ทราบชื่ออุมมกุลซูม ไปขอแล้วขอแล้วก่อนจะขอนิก้แต่งงานแล้วก็มอบมาฮัตอย่างแพงเลยทั้งๆเลยไม่เคยมอบไปใครมาก่อนสี่หมื่นดิรฮัมแต่ตับซีตอิบโนกะซีตอัลลอฮ์พี่น้องศาสนาลีว่าที่ฉันแต่งงานนี่เพราะอะไรเพราะอ่านฮะดิษพบ ว, ว่าว่าความสัมพันธ์ในทุ่งมาชัตขาดตอนกันหมดยกเว้นครอบครัวของท่านนาบีฉันเลยสมัครที่จะขอลูกสาวไยนาอัลีชื่ออุมมักุลซูงแต่งงานกับฉัน พี่น้องชีอาติทวทลเลาะกันนั่นไม่ใช่เขารักกันจะตายไปมึงจะยกกสาวให้กันไครับทั้งบนไม่อยูห้าภาพนี่ภาพในทุ่งมาชาติแต่พี่เป็นน้องตรงหลายพี่น้องคำว่ามาวาซีนุห์แปลว่ า, วาตาช่างฟามันสักูลัสมาวาซีนุใครที่น้ำหนักของเขา ตาช่างของเขามีน้ําหนักมาวาซีนเนี่ไม่ต้องเท่าไหร่นะครับแปลว่าตาช่างของเขาเป็นพระหุพภทไถเอกพจน์ก็มีญานุนมีญานานี่มาวาซีนพระพจน์ตาช่างทั้งหลายของเขานั้นจะมีน้ําหนักมีคนถามว่าไอ้น้ําหนักที่มีเนะี่ยอะไรที่เป็นน้ําหนักมากที่สุดคําตอบก็คืออีมานตักวาญาตีนอยาซานอิคลาสห้าหกรายการนี้จะมีน้ําหนักมากไหนตาช่าง อามันซอแล้วมีอะไรบ้างมีหนึ่งนมาด ม, มีสะกาศมีซิยามมีฮัจละอุมรอการทำดีกับพ่อแม่อัลลอพี่น้องการเดินมานมาที่มัสยิดอยู่เป็นประจำนี่เป็นน้ำหนักทั้งหมดสามารถชั่งได้ตลอดเวลาทมดุลิละก็พี่น้องต้งหลายทีนี้คนที่อยู่ในทุ่งมัชชัทพี่น้องแล้วก็ได้รับรางวัล มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ให้พูดได้คุยกันได้ยิ้มกันได้ไปน้องเราก็ตักน้ําลูกตักน้ํามาให้กินได้ในภาพต่างๆเหล่า น, นี้นี่ไปน้องครับเขามีชีวิตอยู่สบายตั้งแต่ในกูโบแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ในในกูโบลําบ่แล้วมาเจอที่ทุ่งมัชชัสบายไม่ใช่ในะเขาอยู่สบายตั้งแต่กูโบแล้วชีวิตในสุสานเป็นอย่างนี้ครับท่านหญิงไอชารายงานอย่างนี้ภาพของคนกาเฟส นี่เล่าถึงภาพคนกาเฟสคนมุสลิมมาต่ออธิบายมันชัดอยู่แล้วก็อยู่สบายไม่มีการทรมานไม่มีการลงโทษใ ด, ดๆที่ทุ่งมาชัดเอาภาพของคนกาเฟสครับพี่น้องคนที่ทาชั่วเนี่ยไวลุลิอาลิมาาซีความวิบัติจะเกิดขึ้นกับคนที่ทรยศต่ออัลลอ์ที่เป็นชาวกูโบต้าคูลูอลหิมฟีกูบูริหิม ในกูโบของคนที่ทําชั่วนี่ไปน้องครับอย่งอางไอชารายงานนะจะอัลลอฮ์จะส่งงูมางูครับไปน้องนั่นชีวิตอยู่ในกูโบนี่นะมีแต่งูกับแมลงปล่องเั่านั้นแหละสอย่างอย่างอื่นไม่มีคนชั่วชั่วในไปน้องมีงูครับแต่หะ ด, ดิษเนี่อธิบายเรื่องงูอย่างเดียวงูนะครับไฮอาตุนซาวดาสู้ดุนงูสีดํา เดินอยู่ในดินมองไม่ออกว่าเป็นงูหรือคนก็ไม่รู้มันอยู่จะมันกลืนกันกะแล้วก็ดูมุลดาเมี่ยมครับพี่น้องงูมีอยู่สองตัวนะครับคนหนึ่งคนมีงูสองตัวให้จุนไนนดอรอรซีงูตัวหนึ่งอยู่ที่ศีรษะของเขาว่าให้จุนไนนดอริจลีแลงูอีกตัวหนึ่งอยู่ที่เท้าของเขาก็ค่อยๆกัดมาสิค่อยๆกัดค่อยๆกัดกัดกัดกัดกัดแล้วมาเจอก็อยู่ตรงกลาง่ะ สนุกไหมล่ะนั่นคือชีวิตของคนที่ไม่เอาศาสนาไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาระซุ่ไม่เอาคุรานสามสรายการนี้เนี่ย إيمان ต่อ AH, อัลลอฮ์ إيمان ต่อละซุ่น إ ي م ا ต่อคุรานเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้งูมาทรามานเราฟดาดะลิกานี่แหละคือการอาซาบฟิลบาดซักนี่คือการทรมานนี่คือการลงโทษของคนที่ไม่เอาศาสนาที่ทุ่งไรนะที่บาดซัก คุณอ่านทียอย่างนี้ว่ามิววรออหิมบัตซาคุนอิลายามียุบอสูนที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมมาที่ที่แรกนะว่ามิววรออหิมบัตซาคุนอิลายามียุบอซูนและหลังจากชีวิตวิญญาณของเขาออกออกจากร่างไปแล้วเขาไปอยู่ในบาสักอยู่กี่วันครับอิลายามียูบาซูนจนกว่าจะถึงวันฟื้นคืนชีพ ตบซีอีกตั๊บซี่อธิบายอย่างนี้ขณะที่อยู่ในอาลัมบัซักนั่นอะฟาลายาซาลูโมอาลาบันฟีฮาฟิอารดิเขาถูกลงโทษทุกวันที่ดินคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาอิสลามไม่เอาสุนานนาบีไม่เอากุรานไปน้องถูกลงโทษที่กูโบทุกวันจนกว่าเขาจะฟื้นคืนชีพไปไหมไป น, นองเห็นยังครับนี่เป็นภาพหนึ่งขคนในยุงอาชักที่รายงาน ของคนที่ไม่เอ า, าศาสนาไม่เอาซุนานะนบีไม่เอานาบีมุฮัมมัดแล้วก็ไม่อ่านกูรอ่านไม่ศึกษากูรอ่านพี่น้องโทษของมันเป็นอย่างนี้นะพี่น้อง Akbar, อัลลอลลอฮฺอัลลอฮนะอุซบิลลอฮิมินซาลิอ่ะทีนี้อุลามะอธิบายต่อไปอีกนะครับท่านฮัสซันบัสรีเนี่ยอธิบายอายะห์นี่ยบายยาวนิดนึงนะฮัสซันบัสรีอธิบายอย่างนี้คนมุมินคนกาเฟไม่เหมือนกันคนมุมินเนี่ยที่ إ ม م ا ต่ออัลลอนี่หัวใจของเขานี่มีสองมีสองมีสองรายการ หนึ่งต้องการจะทำแต่ความดีความดีความดีความดีความ ด, ามดีไอเรื่องชั่วเนี่ยไม่ทําแน่นอนครับนั่นมุ่มินนะเรื่องที่สองชาฟกโกสงสารเมตตาคนอาจจะอยู่ในใจของผู้ศรัทธาตัลอลสองสองรายการนึกจะทำแต่ของดีๆนึกจะทำแต่ของดีๆของที่อลัลลอฮฺพอใจไปน้องแล้วก็สองสงสาร ไม่แม้แต่กไม่เคยมันใสใครสักคนสงสารคนไปหมดไปน้องนี่ไงพี่น้องนั่นคนมุมินผู้ศรัทธาต่อรอทีนี้จะมีความรู้สึ ก, กว่าอะไรนะอยากจะทําความดีจะ ส, สงสงสงสารคนเนี่ยมันต้องแสวงหา إ ي م านเยอะๆวิธีแสวงหา إ ي م านพี่น้องครับให้แต่เพื่อให้ตาช่างมันหนักในโลกอาคีรอ แ, แสวงหา إ ي م านให้ทำหกข้อพี่น้อง นี่ผมอ่านจากหนังสือตำเสอของอิมของเราในอับุลฮัสซันเปภาษาอุนดูดีมากครับวิธีหาหาอิมานหกข้อหาอย่างนี้หนึ่งต้องเรียนเรื่องอิมานเนี่ยเรื่องในอิมานเรื่องจากกุรานเนี่ยจะมีเรื่องอิมานหมดเลยอิมานตักวยายะกินอิยาศาสอิคลาสอัคลาของท่านนาบีอยู่ในอิมานทั้งหมดเรื่องที่สองตาลุกบิลให้เชื่อมโยงกับอัลลอฮ์เยอะๆให้เชื่อมโยงกับอัลลอ ถึง น, นบีในสังก์ออกจากบ้านในอ่านดูอ า, อาเพื่อเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์ออกจากบ้านมาสี่ห้าเก้ามาเจอรถให้เชื่อมโยงกับอ AH. ัลลอฮ์ในการอ่านดูอาไอ้ไหมเดินมามาสัสยิดก่อนอ่านดูอาเข้ามาสัสยิดก็อ่านดูอาอัลลอฮ์พี่น้องให้เชื่อมโยงกับอัลลอฮ์ทุกรายการนั่นจะให้หัวใจของเราเป็นเป็นหัวใจที่มี إ ي م านเรื่องที่สามพี่น้องครับทําความดีทุกรายการต้องอิคลาสต่ออัลลอฮ์ อิคลาดอธิบายยังไงพี่น้องหมายถึงทำแล้วไม่หวังอะไรเลยหวังแต่ความพึงพอใจของอัลลอฮ์เรื่องที่สี่พี่น้องในใจเนี่ยอยากจะเข้าสวรรค์ตลอดเวลาท่า น, นบ้านมุสลิมเนี่ยมีอยู่สองหลังหลังที่หนึ่งอยู่บนดุนยาหลังที่สองอยู่ไหนอยู่ในสวนสวรรค์ฟอนิเจอร์อยู่บ้านหลังนู้นเต็มไปหมดเลยฟอนิเจอร์หลังนี้มีนิดเดียวเหมือนบ้านนาบี พอเข้าไปไม่จะเสือไซนาอุมัดไปรเยี่ยมนบีเวลากลางวันเอานาบีกำลังนอนอยู่ทอเสื้อเพราะมันร้อนไม่มีแอ้งอ่ะสมัยกอ่อนี่นะนบีตื่นมาข้างหลังนบีเนี่ยผืนแดงเลยไซนาอุมัดจะร้องไห้อ่ะพอเห็นร้องให้จันร้องไห้ทําไมไซนาอุมัดก็บท่านนี่นะเป็นคนของอัลลอฮ์นะเ mm hmm. ด่นที่สุดดีที่สุดอัลลอฮ์แต่งตั้งมาเป็นนิสสภาพอย่างเงี้ยนอนบนเสือกษัตริย์ สองสามประเทศในยุคนั้นก็นมีประเทศอะไรอะโรมันประเทศเปอร์เซียเห็นไหมนอนบนพรมอย่างดีเนี่ยนบีก็ยิ้มโอ้โฮ้พวกเขานั่นอยากได้ดุนยาเอเล็กก็ให้ไอเราเนี่เปรียบเสมือนคนเดินทางตอนนี้นะ่ะมายืนพักอยู่โคนต้นไม้รอจะเดินทางต่อไปอยังโลกอาคีรออธิบายชัดเจนกันท้งหลายฉะนั้นชีวิตดุนยานี่ไปน้องนี่มันบ้าน หลังหนึ่งแต่หลังที่สองนั้นน่ะเฟอร์นิเจอร์เต็มเลยไปน้องหลังนี้ไม่ค่อยมีทวา็ถารอยู่วินัยนบ้านหลังนู่นท่มอยู่บ้านหลังนูน้นเฟอร์นิเจอร์ห ล, ห, หลังนู่นหลังไหนหลังยังสวนสวรรค์นู่น น, นั่นไปน้องเนี่ยหัวใจของคนทุ่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺไปน้องครับมันต้องอยู่อย่างนี้ฉะนั้นโลกใบนี้ไปน้องอยู่เพื่อทําอัลมันจุซอลและทําความดีให้กับสังคมดูแลสังคมนะครับไปนอ้องเอาต่อมาครับข้อที่ห้า ใช่อยากจะเสียชีวิตอยากจะตายแบบคนเสหิตใครขอเปล่าอยากร อ, อให้ฉันตายแบบคนชสหิต อ, อัลลอฮฺพี่น้องนี่ง่ายน่าอุมัดนะขอนะอลัลลอฮฺจ๋าฉันอยากตายแบบคนเสหิตนะคุนทางของอลัลลอฮฺลูกสาวพูดว่าจะเสหิตได้ยังไงอ่ะอยู่ที่นครมาดีนะมันต้องไปอยู่ชายแดนนูน่นถึงจะตายเสหิต شهيد มีหลายอย่างใช่ไหมถูกแทงถูกถูกรังแกถูกฆ่าตายนี่ก็ตา شهيد นะ่ะใช่ไมัมไซนาอมมามัดเป็นอิหมามนอะิมาสุโบถูกแทงใช่ไหมหกแผลอีกสามวันเสียชีวิตคนที่แทงในะใครไม่ใช่คนที่สุญูดต่อรอดคนที่บูชาดวงอาทิตย์กับแฝงแสงไฟทว่าอะห้ามโดยลิลล่าคนที่ฆ่าชันเนี่ยเขาไม่เคยสุญูดต่ออัลลอฮ์เขาสุญูดต่อดวงอะไรนะ บูชาไฟมาตลอดไม่เคยสุญอยู่ต่ออัลลอฮ์สุบภานอาูวัดอาแลนั่นเขาภูมิใจนะ่ะที่เขาตายช شهيد ไปน้องแล้วคนที่ฆ่าก็คือคนที่ไม่เคยบูชาอัลลอฮ์ไม่เคยกราบอัลลอฮ์ Allah, แม้ต่ครั้งเดียวพี่น้องครับต่อมาข้อข้อที่หกครับไปน้องทํางานทุกรายการให้อัลลอฮ์พึงพอใจนี่เรื่องใหญ่มากครับไปน้องเอาจะไปเยี่ยมมะเียะไปเยี่ยมยศที่บ้านไปน้องจะไปไหนก็ตาม ทำแล้วหวังให้อัลลอฮฺพึงพอใจเพราะอัลลอฮฺพึงพอใจพ่อแม่ก็พึงพอใจใช่หรือไม่ใช่ใชนี่ง่ายพี่น้องครับให้ทํางานความดีทั้งหมดให้อัลลอฮฺพึงพอใจข้อที่เจ็ดมันจะหกมีอยู่เจดข้ออยากจะเสียสละครือว่าจิฮัดต่อสู้ในพนทางของอัลลอฮฺอาจารย์อุลลามะที่เขียนหนังสือตั้งแต่ตำราถือว่าจิฮาดนะแล้วก็เลือดที่เขาหลั่งออกมาที่สนามรบนั่นคือจิฮดัดฟีซาบิลละ แล้ววันนี้เราอยู่กับสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมใช่ไหมประเพณีวัฒนธรรมหลายๆอย่างนี่เอามาใช้ในชีวิตได้ไหมไม่ได้เลยต้องต่อสู้ต้องอดทนนี่ก็ต่อสู้อดทนเหมือนกันอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ไงครับต้องให้ห7เจดรายการนี่อยู่ในใจของเราถึงจะมี إ ม م านพอมีอีมานแล้วน้ำหนักที่ตาช่างของเราจะเพิ่มพูนตลอดเวลาอัลฮัมดุลิลาาลาห์ขอบทุท่าน a l l a h u m m d u l i l l a ครับพี่น้องเอาต่อมาครับอายะที่เท่าไหร่นะอายะที่หนึ่งร้อยสามครับพีน่น้องนี่อุลมะอธิบายไว้ดีนะครับบอกนะชูฮาดาวัลอุลมะออคนที่ตาย ش หีดกับคนที่เป็นอุลมะเขียนตำรลับตำราให้คนได้อ่านเนี่ยจะมีน้ำหนักมากหนในในถุงมังชัดนะครับ ที่ตชั่นของเขาต่อมากับอายะที่หนึ่งร้อยสามว่มันข้อฟัดมาวซีนูฮฺเฝอไลกะแลดีนัชฮัสูเฝอไลกะแลดีนัชฮัสูแอมฟุซาหุมฟีจัฮันนัมข้าลิดูนว่มันข้อ มะ้วา زينه فولائك الذين خسروا أنفسهم الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون الله أكبر พี่น้องนี่มันเรื่องจริงทั้งหมดนะไม่ใช่เรื่องนิยายเรื่องจริง อัลลอฮ์เล่าถึงชีวิตของพวกเราจริงๆพี่น้องอามาดูคําแปลครับว่ามันและ ว, าา ว, าละว่าแปลวาา่ามันแปลว่าผู้ใดคอฟัตแปลว่าเบาอมาจากกาแฟแปลว่าเบามาวาซีนูหูตาช่างหรือตาชูของเขาเบาว่ามันคอฟัตมาวาซีนูผู้ใดที่ตาช่างของเขาเบาพี่น้อง ไม่มีน้ำหนักเลยเบาพี่น้องฟาอุลาอิกะลาดีนคอซิรูฟาอุลาอิกะแปลว่าฟาดังนั้นอุลาอิกะเหล่านี้อัลลาลลดีนะบรรดาผู้ที่คอซิรูแปบลบว่าสูญเสียเสียหายภาษาพวกเราก็ขาดทุนอย่างย่อยยับถ้าทำการค้าก็ขาดทุนใช่ไหม นี่ไงอเสือรูชีวิตของเขาเสียหายหมดเลยครับพี่น้องที่ลงทุนอยู่บนดุนยานี่7เจสิปีเสียหายหมดเลยครับอยู่ในกูบบวก็ถูกทรมานมีงูแค่สองตัวเองพี่น้องหัวกับท้ายก็ค่อยกัดมามาเจอกันตรงกลางอัลลอฮลลอฮฺฮฺมซัลิลาฮิมินซาลิกว่ามันข้อฟัมาวะจินุูผู้ใดที่ตาช่างของเขาเบาพี่น้อง ฟาอูเลอีกัลลนและนี่คดังนั้นเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่ทำให้อัลฟุสฮุมชีวิตของพวกเขาคอซิรูขาดทุนเห็นไหมน้ำหนักเบาชีวิตขาดทุนเนี่ยหลายคนไม่เชื่อว่าตายแล้วต้องฟื้นพี่น้องนี่ง้าตายแล้วต้องฟืน้นฟื้นมาเจออย่างนี้แหละะนั้นคนที่ไม่มีอม م า ن ต่ออัลล ไม่อิมานไม่ศรัทธาต่อกุรานไม่เชื่อนบีมุฮัมมัดพี่น้องสามรายการนี้แหละเป็นตัวทำให้ขาดทุนอังย่อยยับเลยน้ําหนักก็เบาขาดทุนพี่น้องแล้วต่อมาครับอยู่ที่ไหนครับฟีเจฮนันนำคอลีดูนคอลิสแปลว่าอยู่ไปตลอดกาลไม่มีวันออกที่ไหนครับฟีเะฮนันนำไหนนรก อยู่ในนรกตลอดกาลไม่มีวันออกเลยพี่น้องนี่เรื่องจริงทั้งหมดพี่น้องนาอูซูบินเลาฮิมินซาเรียกแคพี่น้องถ้าความชั่วของเขามากกว่าความดีอ๋อถ้าความชั่วของเขามากกว่าความดีเรียกว่าตาช่างเบาเนี่ยอุลามะอธิบายเขาใจง่ายนะถ้าความชั่วของเขามากกว่าความดีนิดเดียวพี่น้องแค่ขีดเดียวนี่นะ ความชั่วของเขามากเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าความดีของเขามากกว่าความชั่วสักนิดเดียวนะเขาปลอดภัยเลยเขาเรียกว่าอะไรน ะ, อ, อ, ะอาจใกอานอธิบายว่ า, วาไงนะถ้าความความดีมากกว่าความชั่วเรียกว่าอะไรนะมุฟเยหูนเขาได้รับความสำเร็จถ้าหากว่าความชั่วนิดหนึ่งมากกว่าความดีเขา คอเซรูเขาเสียหายแล้วชีวิตของเขาและอยู่ในนรกตลอดกาลทีนี้เขาขาดทุนเขาล้มเหลวเขาพินาศครับพี่น้องอัลลอฮฺอักบารนะอุบิลลาฮ์มินซาลิกท่านอิบนะมัสอุดได้รายงานอย่างนี้นะครับพี่น้องอิดากานายาวมุลติยมะเมื่อมาถึงวันเตียมะหมายถึงที่ทวงมาชัดนะ ยามอัลลอฮุอาลวาลีนวัลอาคอรินวลอาคิรินอัลลอฮ์จะให้คนในยุครกแรกจากยุคสาท้ายเนี่ยสองยุคมารวมกันที่ทุ่งมาชัดประชากรเยอะมากขณะนี้ประชากรที่ตายอยู่นี่ในชนที่ดินนะอลัลลอฮ์รักษาโลกนี้ไว้นะไม่ให้พังง่ายๆหรอกเพราะมันจบอยู่ทั้งนั้นน่ะใช่หรือไม่ใช่ใช ท, ท่านตั้งประจันาบีอาดามานไม่รู้ว่ากี่แสนล้านเลยใช่ไหมอยู่ใต้ดินนอนอยู่รอวันพื้นคืนชีพอยู่ อัลลอฮ์จะให้มคนในยุคแรกและยุคสุดท้ายเนี่มารวมกันซุมมานาดามุนาดินแล้วก็ทรงคนมาเรียกเรียกขึ้นตาช่างทีละคนละคนละคนละคนลคนทีนี้แล้วก็ถามอกีกถามอีกว่ามังกาหนาละหูมุสลมาตุนใครที่ถูกอาธรรมเพราะคนคนนี้นะ่ะมีไหมยืนขึ้นมาทวงสิท น่าแตกนะใครที่มีปัญหากับคนนี้ไหมคนนี้เคยทําความเดือดร้อนกับใครบ้างไหมเคยตบคนนี้ไหมเคยด่าคนนี้ไหมเคยนินทาคนนี้ไหมเคยฆ่าคนนี้ไหมที่ทําอะไรไหวบนโลกดุจยาแบบนี้ยังไม่ได้เตาบ้านน่ะขึ้นมาให้หมดมาทวงสิทธิ์โอ้โหพี่น้องฟันยะคูสบ ก, ก็หูจงออกมาแล้วก็มาทวงสิทธิ์ ไฟยักษ์พระหุลมารโอบางคนเนี่ยดีใจนะฉันอยากได้สิทธิ์ของฉันที่อยู่คนนี้มานานแล้ววันนี้ดีใจออกมานะครับมาทวงสิทธิ์เช่นไหนบ้างก็เออตัวอย่างนะพ่ออยากได้สิทธิ์จากลูกไม่เคยให้สัทีตอนตอนตอนอยู่บนดุนยานนะลูกไม่เคยตออัดไม่เคยเชื่อฟังปฏิบัติพ่อวันนี้พ่ออยากได้ตาแหน่งอันนั้นนะ่ะมาดูแลออกล้อไปน้อง พ่อทวงเลยฉันเนี่ยเป็นพ่อคุณนะ่ะคุณเนี่ยไม่เคยทำดีอะไรกับพ่อเลยเอาลูกมาอีกอ เ, เจ้าอื่นหมดทั้งเจ้าอื่นมามาทวงพ่อเนี่เป็นพ่อเป็นพ่อหนูได้ยังไงไม่ทำหน้าที่เป็นพ่อเลยทวงกันใน้ทวงมาชัดต่อหน้าคนอายได้ไหมอายพี่น้องี่น้องครับผมขอแนะนำให้กำลังใจอย่างนี้นะอย่าไปยืนทวงไอ้ทวงมาชัดเลยเหนื่อยทำไงเลยไปน้องมาอา้า มาอาบเหมือนใครเหมือนท่านนบีมาอาบแทกับคนทุกคนที่ทําอะไรไม่ดีกับท่านไอเราไปทวงสิทธ์น่ะไปยืนมันก็เหนื่อยเหนื่อยนี่ไม่เหนื่อยอดูพ่อแม่มันสิดูสิลูกกับพ่อมันทะเลาะกันดูสิอลอลองอายึ้นไหมน่ะฉะนั้นผมว่านววิธีการที่ดีที่สุดอังสุรน้านบีประชายนบีไม่ทะเลาะกับคนนบีไม่ทะเลาะกับลูกไม่ทะเลาะกับภรรยาไม่ทะเลาะกับซาบ้าไม่โต้เถียงกับบรรดาซาบ้าแงหมดให้อภัยหมดเลยใครเป็นน้อง ถ้าไม่ให้อภัยเนี่ยไปในทุ่งมาซาไปนั่งของกันอยู่นะแน่นอนไอ้คนที่ถูกขออนะ่ะเอาความดีมาให้มันก็หมดหมดแล้วเอาความชั่วของเราไปใส่เขาอีอนะ่ะพี่น้องก็มีจะตกนรกทั้งหมดนั่นแหละฉช้านวิธีการที่ผ ม, มอยากจะแนะนำนะเต่าพาตัวใส่หมดก่อนที่เราจะตายกลับไปหาอัลลอ์ให้เรากลับเนื้อกลับตัวแล้วขอมาอ้าฟกันบนโลกดุจยาเบนีเช่นภรรยานาบีเนี่ยอยู่กันหลายคนก็กเถียงกัน เขาก็มีปัญหากันพี่น้องแต่พอพญาคนหนึ่งคนใดเริ่มป่วยไม่สบายเนี่ยเขาจะสั่งให้ไปตามคุณนันมาไปตามคุณนี่มาตามมาแล้วก็มาขอมาอัาส่นกันล้วกันนี่ใครทำนะพญาท่านนาบีมุฮัมมัดสลสลัลบอสัลลเพื่อไม่ให้มีปัญหาติดค้างมาถึงในโลกอาครอนทุ่งมาชัดพี่น้องอลลอฮ์พี่น้องเข้าใจนะเรื่องดีดีมากครพี่น้องเออละขำดูเลลยนะ อันที่เที่ยวนะครับว่ามันขอ้ฟัดมาวา ز ีนุฟุลอยกัลลดีนัขซิรูอันฟุสะฮุมฟีจัฮันนะมขอลิดูน <ون> ถ้าผู้และผู้ใดที่ตาช่างของเขาเบาตาช่างเบาหมายถึงความชั่วมากกว่าความดี แม้แต่นิดเดียวนายพี่น้องก็เบาแล้วฟาบูเลอิคารลินคเซรูดังนั้นเหล่านี้คือบรรดาที่ทําให้ชีวิตของเขาสูญเสียฟิญาฮันนามาคอลีรูนพวกเขาจะเป็นผู้พำนักอยู่ในนรกตลอดกาลพี่น้องเอาชีวิตในนรกพี่น้องพี่น้องเรอ่านกุณอ่านผ่านมาแล้วอัลลอฮฺทรมารสุดๆพี่น้องอ่ผมจะเข้าเล่าเน็ตหนึ่ง เขี้ยวของชาวนารกเขี้ยวเหมือนกับเขาเขาวัวสวยตรงไหนอเขี้ยวนะฟันแล้าเนี่ยนะอยู่ในนรกปรไปน้องอัลลอฮ์ยาวเหมือนเขาเขาวัวในไปน้องสวยตรงไหนไปน้องเห็นหน้ากรดังเกียรติอยู่แล้วเป็นท่านเข้าสวารรค์เถิดไปน้องขออัลลอฮ์จะเข้าสวรรค์ได้ทำสามรายการพอหนึ่งอีิมานต่ออัลลอฮ์ อ ي มา ن ต่อคุรานเรียนคุรานอ่านคุรานแล้วก็เรียนสุนนะของท่านนาบีสามรายการนี้กลาเป็นน้องปลอดภยัยจากการลงโทษใ ด, ดๆทั้งสิ้นนะกลาเป็นน้องต่อมาอายะห์ที่1นึ่งรอยสี่ครับตัลฟะฮูจูฮะฮุมนารวะฮุมฟฮกลิฮนใช่ไหมกาลิฮูนใช่ไหมอมอิมรอน กาลิฮุนตัลฟหูโจูหาหุมุนนารวะหุมฟีฮากาลิฮุนอร๊าไปน้องแต่ละอายานี่มีความหมายหมดเลยนะเขาบอกอักบาร์เอามาดูครับตัลฟหูเนี่ยแปลว่าเผาจะเผาโวจูหาหุม มาจากวัจหุนวัชานี่ใบหน้าส่วนอื่นตั้งเยอะแยะไม่เผาเท้าก็ไม่เอา้าไม่เผาเฉพาะลุงนบีอย่างเดียวอบูตอลิฟเอาเท้ามากองที่ไหนที่อะไรนะที่ไฟใช่ไหมแต่คนทั่วท่วไปนี่เล่นใบหน้าเลยตัลฟาฮูบูยตัลฟฮููฮะฮมุนนอันนาแปล ว, ว่าไฟนรก ไฟ น, นรกจะเผาที่ไหนครับหูอยู่หาวผมใบหน้าของพวกเขานี่เรื่องจริงไป่นองใบหน้าของพวกเขานั้นไฟจะเผาอัลลอฮฺไปเนอะนะอุซบิลละยาให้มอยาให้น่เลยเน้องรักษาใบหน้าของเราให้ดีบนดุญยานี้ใช่ไหมทาแป้งทาลิปสติกอัดล้อยังดีเพราะสุดท้ายก็ถูกเผาในนรกมันต้องไม่ให้ถูกเผา ด้วยการรักษาน้ําน้มาที่ใบหน้ามีน้ํำน้มาสม่ําเสมอคนที่ขึ้นเครื่องบินบ่อยๆเนี่ยนะต้องอาบน้ําน้มาด้วยนะสกิ๊กเกอาล้อเยอะๆนะเขอยู่สูงพอสมควรนะนะอยู่นตั้งสามหมื่นฟุตลู <c oughs> ากกายเอาล้อแล้วเนี่ยจะนั่นตอนส ก, กิ๊กถึงเอาล้อจะมีน้ําน้มาก่อนเดินทางผมว่าพากรอ่านดีที่สุดแล้วนั่งสกรุลแล้วเพราะคนบนเครื่องบินจะเนี่ยแต่งตัวอร่อยหมดเลย ขาสั้นขาสั้นเป็นส่วนใหญ่ถ้าไม่อ่านกุรุอานก็จ้องมชาวบ้านเ้าอะจะมีบรรกาศตรงไหนชีวิตแล้วก็ต้องก้มอ่านกุรอานมาอ่านเปน้องดีที่สุดนั่งกระนั่งในเราก็ได้ริมประตูน่เป็นน้องจยานั่งทางชายเดินต้องผ่านคนใช่ไหมอ่าต่อมากับตัลฟาหูยูฮาหูมุนไฟนรกจะเผาไหมใบหน้าของเขา วะหุมฟีฮาคาลิฮุนอัลลอฮฺคาลิฮฺนี่แปลว่าใบหน้าบูดเบี้ยวใบหน้าบูดเบี้ยวพี่น้องวะหุมและพวกเขาฟีฮาในนรกนั้นใบหน้าของเขาจะบูดเบี้ยวครับพี่น้องใบหน้าบูดเบียบยบเบ้ยนี้อธิบายยังไงพี่น้อง นี่อุลามาอธิบายท่านนบีอธิบายเองนะครับอันสออที้ลขุดจาอันนินนบีราย ง, งานบอกว่าอวหุมฟีฮากาลิฮูนใบหน้าของพวกเขาบูดเบี้ยวก็ทำอย่างนี้อะไรนะริมฝีปากด้านบนมีสองริมฝีปากเยอะมากข้างบนกับข้างล่างเนี่ยริมฝีปากด้านบนเนี่ยมันจะอะไรนะ มันจะหดขึ้นไปถึงกลางศีรษะนี่คำว่าดนาการิฮูนี่นะใบหน้าบูดเบี้ยวอธิบายอย่างนี้ริมฝีปากด้านบนจะหดไปถึงกลางศีรษะแล้วก็ริมฝีปากด้านล่างนะ่ะจะหดมาถึงสะดือก็ลงมาเห็นฟันหมดเลยไปน้องนั่นภาพของชาวนรกที่ถูกเผาถูกย่างถูกปิ้งเผาไหม้ไปน้อง พเผาไหม้เต็มที่แล้วนะครับสุดท้ายก็คือริมฝีปากมีสองริมฝีปากริมฝีปากด้านบนจะหดไปถึงศีรษะริมฝีปากด้านล่างมาอยู่ที่สะดือมีแต่ฟันรอสวยไหมล่ะพี่ยังครับมีกคุณอัานอธิบายก็ไปพีน้องอัลลอฮฺอัลบตัลฟาฮูโวจูฮูมุนนาตใบหน้าไฟนรกจะเผาไหม้ใบหน้าของพวกเขา วะหุมฟีฮากาลิฮุนและใบหน้าของพวกเขาน้าจะได้นะจะบูดเบี้ยวกาลิฮุนคือบอกว่าอาบิซูนอาบาสสวะตะวันลาเนี่ยอาบิซไปนะใบหน้าบูดเบี้ยวที่นบีมีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ไหมนบีกำลังนั่งคุยกับคนคนหนึ่งต้องการจะให้คนคนนี้รับอิสลามแล้วก็มีคนตาบอดที่เป็นซอ บ, บ้านนบีมหานาบี น บ, บีก็ไม่ต้องการอยากจะคุยคนนี้อยากคุยกับคนนี้เอาล้อไม่พอใจอ่ะอาบาสสาวะทาวันละนบีเบิรนหะน้าทําหน้าไม่พอใจแล้วก็หันหลังให้เอาล้อบอกว่าอย่าทำคนนี้ทิ้งมันไปเอาคนนี้คุยกับคนคนี้ฉะนั้นอาบาสาะอาบิซูหรือกาลีโฮโลมีความหมายว่าใบหน้าบูดเบี้ยวไม่พอใจพี่น้อง อ, อธิบายยังไงฮะหน้าเบิงหน้าเบิ่งหน้าเบิ่งไปแล้ว อัลลอฮฺเป็นองนามุซบิลลาฮิมินซาลิกนะอัลลอฮฺเป็น้องค์มกาอ่านกุรานเป็นยางีงนะมาดูตัวคำอธิบายนะครับบอกว่าอันอบับดีหูไรรอดรติยลล้อมอันอธิบายอย่างนี้นะครับตาลก้อฮุมลาฮาบูฮ่าไฟนี่จะลุกโชนที่ใบหน้าของเขาซุมมาตัล้ลฮัฟอาฮุมแล้วมันก็จะเผาเผามันจะเผาไหมใบหน้าของเขา ฟาร์มย่าประกอบและฮอร์โมนล่ามาไม่มีเนื้อเนี่ยเหลืออยู่บนใบหน้าของเขาเลยพอเผาทีไรนะครับพี่น้องสกอต่อเนื้อที่อยู่ที่ใบหน้านี่มันจะร่วงลงมาที่ไหนที่ข้อเท้าของเขาหยดถลตไปทีละหน่อยละน่อยละหน่อยพี่น้องใบหน้านี่เลือดที่มันช่เลือดที่เนื้อจะร right. ่วงออกจากใบหน้าของเขาทีละนิดลนิลนิดละนิดแล้วเหลืออะไรพีน้อง แล้วก็อะไรนะ่าดึงฟีบปากด้านบนขึ้นประโยนทิศะดาน ล, ล่าโยางมัต่อทิศะเดือนั่นคือใบหน้าของคนที่ไม่เอ า, าศาสนาไม่เอาคุรานไม่เอาสุนนะนบีไม่เอาอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาละนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับพี่น้องนี่คือการลงโทษอยู่ในทุ่งมาชัดบางคนอธิบายว่าอยู่ในนรกผมว่าในทุ่งมาชัดก็เห็นภาพเหล่านี้ก่อนที่จะเข้านารกเหมือนกันนะครับพี่น้องทั้งหลายอ้าุบิลละฮิมินซาลิเอาสาเหตุ ท <ube> we ี่เป <dances> ็นอย่างนี้เพราะอะไรครับหนึ่งอยห้าอัลัมตะกุลอายาติตุธละลายคุมฟักุนตุมบิฮาทุกษิบุญอัลัมตะกุลอายาติตุธละลายคุมฟักุนตุมบิฮาทุกษิบุญ อัลลอฮฺอัลกุบะดีน้องนี่ไงสาเหตุสาเหตุที่อยู่ในกูโบกอลําบากมีงูกัดที่หัวที่เท้าสองตัวลับกัดก็มาเจอกันทรมานแต่อยู่ในกูโบก็ได้เพียงน้องจะยศ ด, ดุญญนยาอยู่สบายหมดเลยนะคนไม่เอาอัลลอฮฺไม่เอานาบีไม่เอาคุรานอยู่บนดุนยาเนี่ยอร่อยหมดเลยเพียน้องนอนกับใครก็ได้จะทําศีนากับใครก็ได้จะดื่มเบียร์เบื่อเหล้ายี่ห้อไหนก็ได้ จะนอนตรงไหนก็ได้พี่น้องไม่ต้องนึกถึงอัลลอ์เลยไม่ต้องนึกถึงซุนนะนาบีเลยไม่ไม่กลัวอัลลอฮ์เลยแม้แต่นิดเดียวอัลลอฮ์ให้อยู่สบายสบายไหมสบายแต่พวกเราเนี่ยวันนี้น่ยจะทำเราก็นึกถึงอัลลอฮ์กลัวอัลลอ์อันนี้ไม่ใช่ซุนนะนบีฉันไม่ท้ามัเลือกจะทำเฉพาะตามซุนนะนาบีตัวนั้นเราไม่ร้องเพลงแต่เราอ่านกุรานเนี่ย เขาร้องเพลกันรักอกวดสุภานุลล่นลออินน ล, ล, าวาลอวะมะลกตอยุสอูนอ ล, ลนบีลิ้นของเรากระดิกเพราะอ่านกรุรานตลอดเวลาอ้ามาดูเหตุที่ AH อัลลอฮ์ตงลงโทษคนไม่เอาอัลล์ไม่เอารอซูนไม่เอาคุรานอัลัมตะกุนอายาตีแปลว่าอะไรครับอายาตีแปลว่าองค์การทั้งหลายของฉันอาจจะ ก, กรุรานนี่แหละ หรือว่าเป็นเนี่ยต้นบนต้นไม้ภูเขาชันฟ้าแผ่นดินนี่ก็เป็นอาญาดนของอัลลอ์ทั้งหมดพี่น้องจะเรียกว่นนนกานังคาปีกุลอาดรืนอบคาปีกุรอาหก็ได้องค์การทั้งหลายของฉันตุทลาแปลว่าถูกสาธยายถูกอธิบายถูกสอนอะไรกุ้มแก่สู่เจ้าทั้งหลายอาลัมอาลัมนี่แปลว่าไม่ เป็นมันเป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นคำถามนะ่ะองค์การทั้งหลายของฉันมิได้ถูกอ่ามิได้ถูกสายายแก่สูเจ้ากันนั้นหรือเมื่อตอนที่ท่านอยู่บนโลกดุนยาใบนี้นะ่ะกุรานเนี่ยไม่ได้ถูกส่งมาหาพวกท่านหรือคำตอบส่งได้ไม่ส่งกุรานส่งมาแล้วไม่ใช่เล่มเดียวนะ แต่รอซาบูนอินยีนก่อนหนะ้าพวกเราก็มีคัำพีก่อนหนะ้ามาแล้วมาให้มนุษย์ก่อนหนะ้าพวกเราได้อ่านกันท่านคนที่อ่านเขาปลอดภัยคนที่ไม่อ่านไม่ปลอดภัยฝักุนตุมบีฮะตุกซีบูนฝักุนตุมบิฮาแล้วพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นไงนะครับได้ว่าว่าไงนะตุกัตซีบูนว่ามันโกหก ว่ากูอ่านที่ให้มาเนี่ยโอ้ไม่ได้เรื่อง <laughs> ฉันไม่อ่านอยู่แล้วกูอ่านนี่อลรออักบัตเห็นไหมเหตุ <laughs> hey, ที่ไม่อ่านกูอ่านนี่แหละพี่น้องถึงได้เป็นแบบนี้นี่สอนพวกเราด้วยนะพวกเรานี่มันเป็นแขกมาตั้งนานแล้วอ่านกูอ่านไม่เคยมีก็มีนะกูอ่านที่บ้านไม่ไม่มีครับเอามาให้ลูกอ่านตอนเช้าๆหรือเย็นๆแต่พ่อไม่อ่านแม่ก็ไม่อ่านนะ่ะ วันนี้ต้องหันมาเรียนคุรานกันแล้วพี่น้องแต่กุรานที่แปลภาษาไทยมีไหมมีครับนี่ไงเหตุจากการที่เราไม่อ่านคุรานพี่น้องรู้ไหมไม่ได้อยู่ครั้งหนึ่งที่ยิบมลาอิก้าถามถามคนอยู่นอนอยู่ในกูโบเนี่ยถามว่าคุณรู้จกักอัลลอฮ์ไหมบอกไม่รู้ฮ <laughs> ฉันไม่รู้มันจะกนะหัรอนนะเฮอฉันไม่รู้รู้จักนบี ม, มุฮัมมัดไหม ฉันไม่รู้รู้จักกรุรานไหมไม่รู้มาเลกาถามว่ามาดารอยตะว่ามาตาไลตะดารอยจ้าแปลว่ารู้คุณไม่รู้หรือคุณมีสมองมาให้สมองมาทำไมไม่คิดว่ามาวาลาตลาไลตะคุณไม่อ่านน่ะฉันให้กุรานมาคุณไม่เคยจับคุรานอ่านเลยอะ่ะ ฉะนั้นการอ่านนี่นะเป็นเป็นสุนนะนบีนะเป็นอัคลากษณ์ของท่นนบีเป็นความดีที่อัลลอฮ์บอกว่ามุสลิมทุกคนต้องอ่านหนังสือหนังสือคุณอ่านในตรงอ่านก่อนแล้วก็อ่านไอ้ฮะดีสของอิมามบุคฮอีมุสลิมติอ่านเหล่านั้นเป็นอ้อเป็นความรู้ทั้งหมดเป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ฉะนั้นถ้าไม่อ่านนะครับต่อบอะไรไม่ได้เลยจนในทุ่งที่ที่เทไนที่อัลลัมบัลละมาลกาตําดาเลยนะคุณไม่อ่านเนี่ย ใ่าไม่ใช่สมองอ่ะดาที่กูโบัพอมาฟื้นขึ้นมาในวันเกียมะมาอัลลอ์ด่าออกอาลามตะคุณอายตาิตุทลาอะไรกุมองค์การทั้งหลายของฉันเนี่ยไม่ได้ถูกสาธยายแก่สูเจ้าหรือฟักุนตุมบิฮาตุกาซีบูและสูเจ้าได้ว่าเป็นเรื่องโกโหกเป็นเรื่องไม่จริงใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่แน่นอนครับคนฝังกนนหรือคนฝังนนี้ จี่เป็นมุสลิมได้มาเรียนกุรอ่านเยอะมากเยอะมากครับเพราะวันนี้ก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะแค่พี่น้องหลายมาหันมาเรียนคุรอ่านมาศึกษาอัลกุรอ่านก็ได้แล้วแค่ พ, ออพี่น้องหลายอัลลอฮฺพี่น้องนมาตน์มาตนมาตจะจะคูชัวได้เนี่ยมันมีอยู่มันมีอเยอะประมาณ25กว่ารายการนะเอาแค่สามสรายการก่อนหนึ่งถ้าเรารู้ความหมาย ของของของคุรานที่เราอ่านในนามาใจมันจะคุ้ชัวสองถ้ารู้ดูอาที่ต้องอ่านที่เห็นสุภาพ น, ลลนบีฮะมดีใช่ไหมสมีอัลลอฮุลีมันฮาบิดะรู้ความหมายเนี่ยใจมันจะไม่ลอยนการการเรียนาศาสนาเนี่ยจำเป็นนะนะคือตอนนี้อายุห้าสิบเรียนได้ไหมได้เรียนทุกวันนี่แหละเดียวเมืกว่จาจะตายไปน้องท่องดูอาเราก็พ้องความหมายของมันเราไม่ต้ั้งสือตรับมาราเยอะไปหมด นะครับเข้าใจคุณอ่านใจจำไม่ลอยเรื่องที่สองนะครับพี่น้องตาเนี่ยสำคัญที่สุดมองในที่สุยูดอ่าเวลารู้กัวตามองที่ปลายนิ้วเท้าเวลานั่งอัตไหยาตามองที่ปลายนิว้วสามท่านี้จะทำให้หัวใจกุชัวและอีเรื่องหนึ่งก็คือตรงนึกว่านมาน้เป็นนมาดอําลาโลกดุนยาอันนี้เรื่องใหญ่นะ คนไปหาหมอมาหมอว่าลุงเบาหวานก็ไม่มีความดันก็ไม่มีใจมันเลืองอะ่ะเฮ้ยอีกนาหนะ่ะใจแม่คุ้ยช่วก็ได้ต้องนึกนามานี้เป็นนมาสสุดท้ายอัมลาโลกดุนยาที่หมอสั่งไม่แน่อร่อยจะเอาวิญญาณตอนไหนต้องนึกแบบนี้เป็นต้องต้องสวยกับหมอบ้างอะ่ะไปหาหมอใท่านคนตะการพุทธไปเยอะนะ ผมวองวันรุ่ง โ, โหสุขภาพนาดูประธานอะไรมาผมวิ่งครับโอ้โหไม่ใช่นั่นไม่ใช่คำตอบคำตอบคือหัวใจของฉันสงบเพราะอะไรเพราะเรามีอิหมา่านต่ออัลลอฮฺสุภาอานุวาตาอัลละนะครับอัลอมาอายะห์ถึงร้อยหกครับพี่น้องเอ่อเมื่ออัลลอนี่อัลลอดานะดาเรตาหนิตาหนิน ด, ดีกว่านะอัลลอฮฺตมนิให้คุณอ่อานมาเล่มหนึ่งไม่อ่านส่งนบี ม, มอมุมัดมาไม่รับรู้ อัลลอฮฺฉันสร้างฟ้าแผ่นดินเป็นผลงานเต็มเปี่ยมบทไม่สนใจอะไรเลยอ่ะมาดูหนึ่งร้อยหกก็รู้รับบะนะ غال เบต عليناشقواتنا وكننا قوما ضالين ฮะ شقوات ีนา สิคว نا, نا ัตุน่าลัยนาสิควัตุน่าว่าคุณนากาวมันดัลลีนกล่าวรบบานาแกลบัต علينا สิควัตุน่าว่าคุณนากาวมันดัลลีนนี่รับสารภาพเป็นคำรับสารภาพ แล้วก็ขอร้องอัลลอฮ์ด้วยเรื่องที่หนึ่งตัปซีดภาษาอุนดูที่อธิบายดีเขางอ่านแล้วนะรับสารภาพอัลลอฮ์แล้วขอร้องด้วยอัลลอฮ์จะอาชันผิดไปแล้วกอลูพวกเขากล่าวสารภาพรบบานาโอ้ประพูอัิบาลพวกเราเอ๋ย กอลบนะัอนาชิกว่าตนาะชิกว่าแปลว่าความชั่วความชั่วของของเรากอลบัแปลว่าได้ครอบงำอะไรนาะเหนือพวกเราความชั่วของพวกเรานั้นมันคอบงำพวกเราไปหมดแล้วอ๋อเพิ่งไปรับสารภาพตอนไหนฟื้นขึ้นมาจากกูโบแล้วเนี่ย นีดถ้ารับก่นกอนดุลย์ยาดีไหมเนี่ยถ้าสารภาพผิดว่าความในชั้นความชั่วมันเยอะกว่าความดีเนี่ยถ้าสารภาพตั้งแต่วันนี้นะอ๋อรออักบัตไม่ตกนรกครับไม่ถูกงู ก, กัดที่กูโบด้วยไปน้อ ง, ดงเดินตามฟาโร่เดินตามฮามานเดินตามกอรุณไปน้องเดินตามทำไมลรากอรุณอะ๋ะรออักบัต อา้าวกลารับบนากลับต์อะันนาชิกวะตุนาพวกเขาจะกล่าวในโลกอาเซอร์นะสารภาพว่าข้าแต่ประผู้อภิบาลของเราเอย๋ยความชั่วของเรารอลบัตอะไรมาได้ครอบงำพวกเราไว้หมดแล้วนี่เป็นคำสารภาพเป็นคำอะไรนะเสียใจอ่ะคุณน้อง ว่ากุณนะเก้ามังบอลลนและเราเป็นผู้เราได้เป็นหมู่ชนเก้ า, ามายว่าหมู่ชนที่ไหนครับบอลลนหมู่ชนผู้ละเมิดหลงทางบอลลนเราอ่านประจำใช่ไหมลอยริลมาดูเบียไลหิมว่าล้บอลลินใช่ไหมข อ, อาอบต่อลออย่าให้ฉันเป็นคนหลงทางเป็นคนละเมิดแล้วขอในนามาดวันนั้นกี่ครั้งอ่ะ 17บเจ็ครั้งใช่หรือไม่ใช่อย่างนี้ไปต้นเป็นหลัครับทีนี้อุลามะก็อธิบายต่อว่าสาเหตุที่ทำให้ความชั่วของเขามากนะเพราะอะไรมีสองสาเหตุข้อที่หนึ่งอลัลละวาเพราะอารมณ์ต่ำของเขาความชั่วของเขาเพราะอารมณ์ต่ำของเขาทำให้เขามองข้ามกุรานมองข้ามสุนนนาบีมองข้ามอัลลอฮฺสุบฮานะบุห์วัดอาลา พราะอารมณ์ภาวะอารมณ์ข้อที่สองครับซูอุซอนเนี่สงสัยจะจริงหรือไม่จริ ง, Allah, รงรอลัลลอฮ์มีจริงหรือเปล่ า, าลวันกิยามะมีจริงหรือเปล่าตายแล้วฟื้นจริงหรือเปล่าสงโชว์ทั้งตายอ่ะนี่คือความความชั่วที่ครอบงามตัวเองในอุลมามะอธิบายนะนาอั ล, ละบลลาเมญซาเลกทีนั่นกูอานนี่มันเรื่องจริงทั้งหมดไม่ไม่ใช่ข้อสงสัยอ่ะ อัลลอฮ์ท้าว่าถ้าสงสัยเอ็นสร้างมาสัตย์อายาหนึ่งได้มั้ยมาแข่งกับฉันเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งรับอิสลามบอกแข่งกับอัลลอฮ์นี่แหละเขียนอายาเดียวไม่ได้เรื่องขยำก็โยนทิ้งดึงใหม่เขียนอีกอัลลอฮ์พี่น้องพอเงยนะกระดาษท่วมหัวเลยพอสุดท้ายอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดอุลลัลลอฮ์ซุ่อัลลอฮ์ไม่ไหวพี่น้องอ้า นี่อายาที่หนึ่งยหกนี่นะอุลลามะอธิบายว่าชิกกวัตูนาความชั่วเนี่ยมากกว่าความดีความชั่วครอบงําเพราะสองรายการพี่น้องอารมณ์ของเราใหญ่กว่าคําสั่งของอัลลอฮฺพี่น้องนะมาซูบอตต้องตือนกันนะเพราะมันอารมณ์มันเยอะตรงนั้นน่ะอารมณ์นอนอารมณ์ขี้เกียจอารมณ์อัลลอฮฺพี่น้องยิ่งดูละครดึกพี่น้องนอนตีหนึ่ง คือไปไหนมาไปเที่ยวมาอะไรมานอนเตนึงตื่นซูบวะไหวไหมนะ่ะนี่อารมณ์ทั้งหมดไป น, อน้องทําไมไม่เอาสุนันนาบีมาใช้นานๆไปสักครั้งหนึ่งสุนันนาบีอย่างนี้นบีจะนอนหลังจากนามาดอิชาก่อนนอนแปลงฟันอาบน้ํามนามาตะปัดที่นอนอ่านสามขุนลูกไปทั้งตัวอ่านอายากรูซีอ่านซุรอตตาบารุกลัลลิศแล้วก็นอนตะแคมขวาอ่านบิสมิลลอหุมมามูตัะยาลองตายเลยไ่น้องก็ตายแล้วมาเลาย์กามายืนเฝ้าวา่าไม่ดีหรอ ค่ท่านอย่านอนชนิดจะเห็นเห็นหมอนแล้วก็เสือกหัวพร ว, ว่าทัดนอนแลอย่าทำไปน้องเอาสุนัขน บ, บีมาใช้ในชีวิตประจำวันและอ่านกุอ่านสมํมเสมอ น, น, นการไปน้องเอาต่อมาครับอายาที่หนึ่งร้อยเจ็ดรับบน أ خ ิ ج ن ا منها อ من إ ن ع อิน فإن ظ ا ل م و รบบานาอัทร์จ์นา منها فإن عدنا فإن ضلمون อรรั บ, บ Allah, พี่น้องพระนี่ยากจะเพิ่งแปลนะอธิบายนิดนะึงภรยาฟาโรไปสวรรค์ทั้งทั้งที่ผัวนี่เลวสุดๆแต่ภรรยานาบีอะไรนะ นบีลูตกับนบีนูฮ์ไปนรกอยู่กับบ้านคนดีๆพี่น้องผัวนี่เป็นคนดีพี่น้องเป็นนบีแต่ภรรยาตกนรกเพราะอิหมานอย่างเดียวพี่น้องไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองไม่ใช่ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ที่บ้านไม่ใช่รถไม่ใช่บ้านหลังใหญ่หลังใหญ่อยู่ที่อิหมานะแต่ท่านภรรยาที่ไม่มีอิหมานตลอดพี่น้องครับถึงจะบริการสารมีขนาดไหนก็ตามนะ นางเป็นชาวนรกนะแล้วก็พยาฟารโรเป็นชาวสวรรค์นะคิดดูสิไปน้องครับไปสวรรค์ได้ง่า้วรขอดูอาอัลลอฮ์รับด้วยนะสร้างบ้านในชั้นหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ไปน้องอัลลอฮ์วางะรนะสวดะฮีมนบอตรับัลลอฮุมัสลัลลิลลาฏนะอามานุมะตฟิูวะมราะตลุอะไรพวกนี้นะครับอัตวะมาครับ รบบานาะอัคริจนามินหะฆ่าแต่พระผู้อภิบาลของเรารบบานาเนี่ยเป็นการขอหลงอาตัววไปขออาวันฟื้นคืนชีพแล้วเนี่ยคนกาเ ฟ, ฟตะมดที่ขอน่นเนี่ยตอนก่อนตายเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพบตายภาพฟื้นขึ้นมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนละเปลี่ย น, ยนภาษาเลยว่าไงนะรบบานาะฆ่าแต่พระผู้อภิบาลของเราเอ๋ย อัครีเจนะขราจาเปวาออกอัครินเอาเราออกอลัลลอฮ์ได้ทรงเอ า, เาออกกรุณ า, าอาลัลลอฮ์ให้เราออกหน่อยออกจากไหนครับออกจากนรกหรือออกจากการทรมานที่ทุกมาชัดหรือออกจากการทรมานที่นั่อยู่ในกุบบลมันคุมได้หมดไปเนาะจะออกไปไหนอ่ะ ร บ, บานาอัคริจนามินเฮโอพระพูทบาลของเราเอ๋ยได้ทรงเอาเราออกจากนารกนี้ด้วยเถิดอัลลอฮฺพี่น้องทำไมใช้ภาษานี้นี่เป็นภาษาก็แล้วนะภาษายอมรับที่ฉันคิดผิดผิ ด, ผดมาเนี่ยนี่มูลาบะอธิบายยางไ้นะคิดผิดมาห้าเรื่องที่ขอคำนี้นะอัคริจนามินเฮให้ฉันออกจากจากจากนารกเถิด เพราะฉันคิดผิดหเรื่อง oh, อุ้รมาอธิบายดีเรื่องที่หนึ่งเคยปฏิเสธว่าตายแล้วไม่ฟืน้นใครที่คิดแบบนี้มีไหมตายแล้วไม่ฟื้นนั่นคิดผิดเรื่องที่สองเคยปฏิเสธว่าเมื่อฟื้นแล้วจะถูกตัดสินคิดบัญชีเรื่องดีเรื่องชั่วฉันก็ไม่เชื่อมัอนจังตายแล้วก็โอมก็จบนี่สิเห็น ไ, ไหมเรื่องที่สองเรื่องที่สาม ฉันเห็นด้วยสายตาของฉันเองว่ามีการคิดบัญชีจริงแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงตอนไหนตอนฟื้นมาแล้วเนี่ยทุ่งมาซ่าต้นที่สามหรือที่สามเรื่องที่สี่เคยปฏิเสธว่าในคุณคพี่คุณอ่านอธิบายอย่างนี้คนเนี่ยเกิดสองครั้งแลว้วก็ตายสองครั้งใช่หรือไม่ใช่เกิดสองครั้งแลว้วก็ตายสองครั้งฉันปฏิเสธเลยว่าเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวจบ แต่กูอ่าบอกไม่ใช่เราบอกไม่ใช่อิสลาบอกไม่ใช่เกิดสองครั้งแล้วก็ตายสองครั้งเกิดคนกาแฟนไม่เชื่อเลยนะไม่เชื่อนะเกิดก็ไม่เชื่อนะเชื่อว่าตายอย่างเดียวใช่ไหมประสารภาพเพจต่อันยอมรับแล้วว่าตายสองครั้งเกิดสองครั้งตายครั้งแรกตอนไหนรู้ไหมตอนเป็นน้ํำอัสซุจิตอนเป็นดินแล้วก็ ตายเนี่ยฟื้นครั้งแรกนี่อยู่ในอยู่ในทุงท่งทุ่งอะไรนั้นอยู่ในอัลัมบัสนี่อยู่ในอัลลัมอัลลัมดุนยาเดี๋ยวตายครั้งที่สองอยู่ในกูโบแล้วก็ฟื้นครั้งที่สองเวทุ่งมาชาติฉันยอมรับแล้วอัลลอฮฺจะเมื่อก่อนนี้ไม่เชื่อคิดว่าตายแล้วตายเลยตายแล้วไม่ฟื้นคิดว่าตายครั้งเดียวเกิดก็ครั้งเดียวก็จบตายแล้วก็เกิดแล้วก็จบตายเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเชื่อแต่อสองคำจริงๆเรื่องที่ห้านะครับ ฉันเห็นแล้วว่าเกิดสองครั้งแล้วก็ตายสองครั้งขอร้องให้เกิดครั้งที่สามได้ไหมอลัลลอฮ์กำหนดว่าสองมันขอครั้งที่สามอีกขอให้ตายสามครั้งได้ไหมเราเกิดสองครั้งถ้าเกิดครั้งที่สามนี้เองฉันก็ได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองเอลัลลอฮ์ให้ไหมนี่เนงะไม่อ่านกูอ่านเง่าพอไม่อ่นอานกูอ่านปั๊บนึกว่าฟื้นขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วตายแล้วจบแต่ไม่ใช่ นี่ไงอิสลามไปนเนาะอัลลอฮฺไปเนาครับไปสารภาพผิดตอ่ออัลลอฮห้ารายการห้ารายการที่น่าหัวเราะนะอลัลลอฮฺจะขอให้ฟื้นสามครั้งตายสามครั้งได้ไหมสองครั้งนะมันน้อยไปที่แรกปฏิเสธไม่มีเลยใช่ไหมพอมาเห็นความดีความชั่วอลัลลอฮฺจะขอครั้งที่สมเธอถัานี้ได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองก็ได้ความดีทำความดีต่ออลัลลตอบ ไ, ไง ไ, ไม นนี่เขาพูดเองนะถ้าหากว่าเรากลับไปมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าฉันทำผิดอีก mm hmm. ฟาอินนาโอลิมูน mm hmm. เมื่อ น, นั้นจะเราจะเป็นผู้ประพฤติผิดตอนนี้ไหมตอนนี้มันน่าจะให้อาภายัยอ่ะมันต้องรอครั้งที่สามที่ฟื้นมาใหม่แล้วก็ตีนี้แหละถ้าจะลงโทษก็ลงโทษตามสบายเลยตอนนี้ร อ, อขอร้องเถอะ แค่สองครั้งเองขอครั้งที่สามให้ไหม่ให้ก็เพราะไม่อ่านกรุรานไงถึงความคิดความอ่านไม่เกิดเลยฉะนั้นเป็นน้องอา่อานกุรานนะยอย่าลืม น, นะคนนี่ตายสองครั้งแล้วก็เกิดสองครั้งตายครั้งแรกก็คือตอนอยู่ในท้องมะเรานะ่ะตออยู่เป็นน้าเป็นน้ามัสุจิเกิดขึ้นมาบนโลกดุนยาแล้วตายครั้งที่สองแล้วฟื้นครั้งที่สองในตทวงมาชัดต้องเชื่อแบบนี้นะกายเป็นปน้องเชื่อตามคุรานพิซูนได้กายเป็นน้องตง้งรัน เพื่ سبحان ك ا ل ل ه م พ ب ح ้าขออ ا ย ل รให้ท่านไ ت ้ร ر บความสุขในชีวิตของ ل ่านแ ر ะขร้ัว่า